อาราสเลยเนยะหรือว่าวัยรุ่นก็เหมือนกันนะพ่อแม่ไปบังคับวัยรุ่นมากๆนี่ก็พยศอารวาสจิตก็เหมือนกันดนะ้ไปบังคับเขาอันนี้อาจจะเข้าใจควาว่ากำหนดไม่ถูกต้องไปฟังครูบาอาจารย์บอกให้กำหนดกาหนดลมหายใจให้มันสุดลมหายใจแล้วปล่อยไปได้ยินมาอย่างนี้ ก็เข้าใจว่ากำหนดคือไปบังคับไปเพ่งพอเพ่งเขาจิตมันก็อารวาสนะจนเกิอดอาการเพี้ยนขึ้นมาเวลาคุยกับเขาเนี่ยก็บอกเนี่ยให้ลองให้ลองวางความอยากลงแล้วก็ปล่อยใจใเป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับอย่าไปกำหนดแบบเพ่งอย่างนั้น แล้วก็ไว้เขาทําตามสบายให้เขาอย่าทําความเพียรมากให้ความเพียรนี่มันมากเกินไปก็มีปัญหานะอย่างพระสนนะทําความเพียรมากขนาดว่าเท้าแตกเป็นแผลก็ยังไม่ยอมหยุดไม่ยอมพักก็ยังเดินทั้งที่เท้าเป็นแผลทางเดินจมกรมนี่มันเป็นมีเลือดนะเป็นแนวเป็นทางเลย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 แต่ว่าคนชอบนักเพราะว่าคิดว่าทำแล้วมันจะสงบแล้วพอสงบแล้วนี่ก็ยิ่งทำก็ไปใหญ่สุดท้ายนี่จิตนี่มันก็พยศขึ้นมาเกิดอาการเพียนหลวงพ่อมเขียนท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านบวชใหม่ๆกับหลวงพ่อเทียนวันหนึ่งท่านก็ปฏิบัติอยู่ในกุฏินะ้วท่านปฏิบัติอยู่ในกุฏินั่นก็ปิดหน้าต่างปิดประตูนะหลวงพ่อเทียนมาสอบอารมณ์ มาถึงหน้ากุฏิก็ถามว่าทําอะไรอยู่หลวงพ่อมเขียมก็ตอบมาจากในกุฏิว่ากําลังปฏิบัติอยู่ครับเห็นผมไหมหลวงพ่อเทียนถามไม่เห็นครับแล้วทำไงถึงจะเห็นต้องเปิดหน้าต่างอ้าเปิดประตูพอท่านเปิดประตูเสร็จหลวงพ่อเดียวก็ถามว่าเห็นผมหรือยังเห็นแล้วครับแล้ในห้องเห็นไหมเห็นครับ ให้ทำอย่างนี้นะเห็นทางข้างนอกและข้างในแล้วท่านก็เดินไปหลวงพ่อทเขียนก็ทีแรกก็ง ง, งว่าหลวงพ่ อ, พอียนต้องการจะบอกอะไรในที่สุก็รู้ว่าท่านต้องการจะบอกว่าอย่าไปอย่าส่งจิตออกนอกมากเกินไปและอย่าเพ่งเข้าในมากเกินไปเพ่งเข้าในมากเกินไปมันก็ไม่รับรู้สิ่งภายนอกแต่ถ้าปล่อยจาจไปข้างนอกมากๆ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 ว่าให้หวางใจพอดีพอดีอดอรู้ทั้งนอกรู้ทั้งในอันนี้แหละมันคืออาการความรู้ตัวทั่วพร้อมนรก็เหบางคนก็พยายามที่จะเพ่งอยู่นั่นแหละบางทีหลวงพ่อเทียนก็เดินเดินไปแล้วก็เอาผ้าคลุมศรีรษะเอาไว้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 ให้ไปคิดเอาว่ากําลังสอนอะไรคิดไปคิดมาก็รู้เองว่าอ๋อท่านกาลังสอนว่าอย่าไปอย่าไปจมอยู่กับความคิดหรือว่าจะไปจมอยู่กับความสงบนะมันจะเหมือนกับว่าคลุมคลุมศีรษะด้วยผ้ามันก็มืดนะเวลาถูกผ้าคลุมศีสามก็มืดนะให้ถอดผ้าคลุมวิษะออกจะได้เห็นข้างนอกนะ แต่ก็ไม่ใช่ส่งจิตออกนอกนักปฏิบัตินี่เราต้องต้องรู้เท่าทันนะไอ้ความอยากเนี่ยไอ้ความอยากนี่มันเป็นปัญหาของนักปฏิบัติเลยถึงแม้ว่าเป็นเพราะความอยากเราถึงมาที่นี่มาอยู่แบบอ่าต้องจากบ้านจากความสะดวกสบายมาก็เพราะความอยากนี่แหละแต่ทันทีที่เราลงมือปฏิบัตินะก็ต้องวางความอยากลง หลายคนที่ทําไปก็ยังทิ้งความอยากไม่ได้ไมีแต่ความอยากเพิ่มพูนมากขึ้นมีนักปฏิบัติคนหนึ่งนะบ่นกับหลวงพ่อเฟื่องโชติโกนะั่ท่านมาลรำพาดไปนานแล้วนะอยู่จังหวัดระยองก็บ่นกับหลวงพ่อเฟื่องว่าเนี่ยทํามาทมาั้งทำมาต้องนานแล้วยังไม่ได้อะไรเลยหลวงพ่อก็ตอบว่าก็ปฏิปฏปฏบัตินิเพื่งละไม่ใช่เหรอขนาะปฏิบัติเพื่งละไม่ได้เพื่อเอา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 วัยรุ่นนี่ก็อยู่บ้านเม่ติดไอ้ออการอยู่บ้านเม่ติเนี่ยยังมีความหมายถึงว่าการที่มันปล่อยใจฟุ้งใจลอยมันไม่ยอมกลับมารูกกายแต่พอหันมาสนใจการปฏิบัติก็ทําให้กายนี่กลายเป็นคุกไปซะขังจิตเอาไว้ไอ้จิตนี่มันก็ไม่ยอมนะมนก็พยายามสู้นะพยายามแหกคุกอยู่เรื่อยพอแหกคุกบ่อยเข้าก็ต้องเพิ่ม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 ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการเพียงแค่มีลมหายใจเข้าออกหรือว่าหัวใจเต้นการแพทย์จะบอกว่าหัวใจเข้าออกมีย่งมีลมหายใจเข้าออกอย่างหัวใจเต้นสดงว่า ม, มีชีวิตแต่ว่าชีวิตจริงๆมันมีความหมายมากกว่านัน้นมันต้อง ม, มีชีวาด้วยก็คือว่ามีความตื่นรู้มีความารู้สึกแจ่มใสเบิกบานซึ่งเกิดจากการที่มีความสึกตัวทั่วพร้อม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 แล้วคันตายเข้าถึงวันตายก็ตายโดยที่ไม่ได้อยู่อย่างแท้จริงหมายความว่ายังไงตายโดยที่ไม่ได้อยู่อย่างแท้จริงก็คือตายโดยที่ทั้งชีวิตเนี่ยนะตลอดทั้งชีวิตนี้ไม่ได้มีความรู้สึกตัวเลยนะตาบใดที่คนเราเนี่ยอยู่โดยที่ไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้อยู่จริงๆ